ถึงเวลาพระท่านเทศคนหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถที่มาพังเทศได้ลูกเก็บไข่ได้ป่วยต้องพราอาหารให้มีอาหารใจกินก็เลยพราอาหารไปจับปลาอยู่ที่ห้วยหนองของบึงแต่คนหนึ่งไปพังเทศอยู่ที่วัดเป็นสองคนนี้คิดยังไงอานโมตามไยมันเกิดได้ยังไง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 โอ้ต้องคิดเป็นหรือจึงจะได้กินะที่ไม่ต้องคิดเลยมาเองมาเองมันไม่ใช่อาหารเนี่ยมันเป็นคูดมันเป็นคูดเป็นถงังโซกพกเมืองเทวดามีคูดกินไหมเพื่อนร้ไหมไม่มีคูดมีแต่อาหารที่เอาถ้าไม่ไปเรากะอยู่นี่แหละดีกว่า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 แต่ทบกับอารมณ์ต่างๆมันหลงไว้ก็ให้ดูดีๆพยายามอย่าประมาทจนที่มันหลงถ้ามันหลงก็ตั้งต้นใหม่ไว้ก่อนอย่าหมกมุ่นอย่าผิดแผ่นทันเล่นในความหลงง่ายยับยั้งชั่งกิจอันก็ไม่มีนิสัยที่จะสอนตัวเองเป็นความหลงก็ว่าให้หลงความทุกข์ไปทุกข์เลยไป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 สิ่งไหนที่มันทาเป็นสิ่งไหนจําไม่เป็นมันทาเป็นในรูปลักษณะอย่างไรชีวิตเราง่ายที่หลงหรือง่ายที่รู้ง่ายที่จะไม่ทุกข์หรือง่ายที่ทุกข์ง่ายที่โกรธหรือง่ายที่ไม่โกรธต้องหัดจังเลยอะไรก็เอาความทุกข์เอกหน้าออกตาเอาความโกรธเอกหน้าออกตาเอาความหลงเอกหน้าออกตามันง่ายไปทางนั้นต้องจําเป็นต้องประหัดตัวเอง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 ตีกันน่ยผมคนเดียวไม่สนุกต้องให้เขาสองคนสามคนให้ผมคนเดียวสนุกดีไม่มีใครสู้ผมได้ถ้าผมได้หิวหิวฮลิโอินแล้วเขาก็เจงแบบนั้นแล้วก็อบรมเขาเล่ากงโมอยู่วัดเขาออกจากวาดไปไปอยู่บ้านไปตีอีกเออต่อมาเห็นเขาขี่จักรยานมาหาใ้จักรยานนั้นมีของของกินมีผักไม่อะไรหลายอย่าง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 ว่ากัวนี้จานกรดกเพราะพี่น้องสองคนพ่อแบ่งปันนาให้กระดกนะให้เช่นนีทันแบ่งกันให้เรียบร้อยเวลาฝนตกก็ไปตั้งนาเขียดแดนคนหนึ่งก็รูว่าจากตอนวันตอนนี้ให้วาหนึ่งันใดไปปันก็เอาวากลัวแียงกันผู้เป็นพี่บอว่าวาหนึ่งนะพื่น้องวากลัว เพรหนึ่งรักกว่าแทงกันไปแทงมาก็ตีกันข้ากันตายตายกันก็ไปเป็นเด่นสองตัวพี่น้องใจเย็นหน่อยถ้าฝนตกฟังดีๆนะเพระหนึ่งรักกว่าเพราะพี่น้องสองคนฆ้ากันตาเพราะไปรักษาชินนั้นมันมีนิสัยแบบนั้นเลยตายเป็นเด่นเพราะทุ่งนา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 คิดไปคิดมาบอเออบินบนคื อ, อะไรคือพึ่งโอน้ําพึ่งบินบนดําดินเวนบนพาดจิงไม้พาดจิงไม้พาดจิงไม้เลยรเนาพาดจิงมไงม้เนาชิดโต้ชิดไปใ ช, ไปชาไหมโอ้โบล่เพชรโบล่พาดจิงไม้ใช่ไหมง่ายแผ่นดินไง่ายแผ่นดินไง่ายแผ่นดินแค่ไหนอะไระง่ายแผ่นดินถ้าชิดฝึงไถ่หไม่ใช่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 อืมวิปัจนาถึงที่ไหนถึงบางอ้ออันนี้บางเดอเพราะว่าวิปัจนาถึงไหนคือบางอ้ออ้อะสดชื่อดสดคมโกดเปรนี่นาะควมหงเปร่งเนาะคทุกข์เปร่งนะโอ้ยเห็นแล้วตมน้ำน้ำเนถ้าเห็นอย่างนี้อ่ะมันสดชืดมันตัววิปัจนาถ้าเชื่อแ่เห็นแล้วก็ตกตะ่ใช่นะ แค่ดูอย่างนี้นี่กรรมฐานนี่คือสอนตัวเองเราจึงพึกผลต้นแดงอย่าประมาณนะ